ที่เราได้ยินเมื่อสักครู่คำของพระพุทธเจ้าในสมัยที่ท่านเข้าปัญษาอยู่ที่นครสาวัตถีได้มีภิกษุสงฆ์ไปร่วมจำปัญษาคันแล้วก็มีพระเถระผู้ใหญ่จำนวนมากเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระอรุทธะจำนวนมากมายเลยไปร่วมจำปัญษากับท่าน แล้วก็นำภิกษุบวชใหม่เข้ามาแบ่งกันเป็นกลุ่มๆสิบคนบ้าง20สิบคนบ้าง3 0คนบ้าง4 0คนบ้างแล้วพระเทระพระอรหันตเทระทั้งหลายก็แบ่งกันไปสอนอาณาปณสติในช่วงฤดูฝนทั้งหมด 3-4 สเดือนภิกษุก็ศึกษาอาณาปณสติแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนเมื่อครบ4เดือนท่านก็นั่ง ภิกษุทั้งหลายนั่งทำอาณาปณนสติกันอยู่ต่อหน้าท่านนี่คือสิ่งที่ท่านตรัสกับภิกษุนะครับท่านเหลียวมองภิกษุไปรอบๆซึ่งเงียบกันหมดเลยเหมือนท่านที่นั่งอยู่ตอนนี้เลยพระบรมศ า, าสดา น, นั่งอยู่นี่นั่งดูท่านอยู่แล้วก็พูดกับพวกท่านว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบริษัทนี้ไม่คุยกัน บริษัทบริษัทนี้เงียบเสียงคุยดำรงอยู่ในสารธรรมมันบริสุทธิ์พวกท่านกำลังอยู่กับอาณาปณะสติพระเจ้าใช้คาว่าสารธรรมมันบริสุทธิ์ครับสารธรรมภิกษุสงฆ์นี้บริษัทนี้เป็นที่ควรคำนับควรที่ต้อนรับควรที่จะทำทักษิณาทานเป็นเนื้อนาบุญของโลก เป็นเช่นเดียวกับบริษัทที่เขาถวายของน้อยได้ผลมากถวายของมากได้ยิ่งผลมากขึ้นไปอีกใครทำบุญกับพวกท่านตอนนี้ทำน้อยได้มากแต่อย่าหวังผลทำมากยิ่งได้มากขึ้นไปอีกเป็นบริษัทอันชาวโลกยากที่จะได้พบเห็นท่านเดินไปที่ไหนเห็นเหรอมีคนห้าสิบคนนั่งกันเงียบ แบบนี้แล้วก็นั่งภาวนากันอยู่แบบนี้ไม่มีเป็นอันสมควรแม้คนเอาสเสบียงคล้องบ่าเดินทางมาไกลเป็นยโยศเพื่อมายืนดูท่านก็เป็นบุญตาแล้วสิ่งที่ท่านกําลังทําไม่ใช่สิ่งที่โลกนี้ได้เห็นกันง่ายๆนะครับอย่าเพิ่งถอดใจ จอบอัจบยู่นายจัยีย่าถอดใจจับยังไม่ทันอเลยถามว่าสิ่งพวกนี้มันจะอยู่ติดไปจนถึงชาติไหนๆ ไ, ไหมๆๆชาติเนี่ยเหตุปัจจัยถึงพร้อมเดี๋ยวก็ดีเองแหล ะ, ะ, ะเราเป็นหนึ่งในมิกี่คนนะครับหนึ่งในมิกี่คนหนึ่ง ในหกพันกว่าล้านคนที่มีโอกาสได้ยินได้ปฏิบัติคำของพระพุทธเจ้านแน่นอนก็มีคนหมู่กลุ่มอื่นที่อยู่กับคุบาองค์คบาอาจารย์องค์อื่นนะแต่นับรวมแล้วในโลกนี้ก็มีไม่มากไม่มากเลยที่มีโอกาสที่กำลังเดินตามทางเพื่อจะออกจากโลกเราก็แผ่เมตตาดูแลในทุกภพกภูมิกันตลอดเน่ย พวกท่านทั้งหลายก็ชื่นชมอนุโมทนากับการกระทำของพวกเรานี่แหละแล้วก็เดินหน้าทาไปเรื่อยทาไปเรื่อยทาไปเรื่อยๆออกไปจากคอร์สก็ยังทำอยู่ไม่หยุดทำข้างในจะไปกลัวอะไรทาอยู่ข้างในขอบใจมากเดี๋ยวช่วงนี้เราไปเบรคก่อนนะครับเชิญอีกครึ่งชั่วโมงก็คือเจ็ดสี่สิบห้าเข้ามา